เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมรรยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้นึกถึงเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนกธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก, ก็เกิดกับวัดบุญ ง, ไง่ายๆวางัันเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระนม้นเจานายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมากิณธรมารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่เ็เป็นลูกจิตพระลูกเขาเป็นลูกพร ะ, ลกกลพระแล้ต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระเขาไปค้ า, ข, าข้าวกนันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆ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 นะครับเข้ า, ขากันบางอย่างก็ว่าเป็นค่าสิดต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิดต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนี้นก็มีอยงทุกวันนี้มันเข้าไปหมดนี่คาว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกับพอมหน้าของกิเลส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 ผนทุกท่าก็มาตาหิศาสนาว่าไม่เกิไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความจเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองปเสื้อนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบันกาในไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรานัน สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นท่านนี้มีจำนวนมากเพราะมีอำนานมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจะไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีเนี่ยถ้าถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไ ม, ไม่ออกมาจากพ่อจากแม่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 ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสําคัญะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสําคัญแล้วก็ต้องเห็นครูทห้นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสําคัญเห็นศาสนาขึ้น่องดับแรงกายวายใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี้ก็เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆ ถือว่าสิ่งที่ต่ำๆว่าเป็นของดีอของประสิฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนรุ่งไปหมดรู้ว่าอย่างโดดมานี่แถวเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยแล้ววันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนไม่ประชาชนโดดนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ก็จะตายประช า, าะชนต้องโดดนี้ ถ้าว่าเพื่อประชาชนทํามประชาชนยิ่งเป็นอย่างนั้นเราพี่นาดูสิมันเพื่อใครอืมตอนนี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกคนี้สัตว์โลกผ่านฟังสิไม่เรียกประชาชนไม่เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตเดนะือด า, านก็ให้อภัย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 ความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของกา ร, การยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตนัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดผายเลยโดยไมีความเมตตาตา น, นีอะไรเลยนี่เหลือประชาชนสาคัญอย่างนี้เหลือสําคัญในทางตายต่นนั้นดีแต่สําคัญในความโลกเย็นเป็นสุดนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรม ใครจะเศษสรรตั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลํำดับลํำดับมากกําน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่เาเพื่อตามเปียตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศา ส, สนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนแล้พ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งของพ่อแม่ผู้กันให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดตั้งแต่อารมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เรียนสาภาวะพยังสอนมาด้วยมารยาสอนด้วยกา ร, รแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อมาโดวยวลํำดับธรรมดา หนมันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ําลงตรงนี้มาตาปิตูประทานหนึง่งปุตตดาและสัมกหัวให้อุปธรรมปัญหาดูลบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนต้องมีความไม่เงินเป็นจูบย้เกิดความกระทบกระทืนอันใดทีด่เป็นการอบช้ำพันาจิตใจแล้วการสงการสงเฆ์ภรรยาบุตร ปุตราราลัสสังกหูมีการจงครอบบุตรปัญญาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้าศาสนามันเป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเขมาใส่ที่สุ น, นัข ก, ก็จะเดือดร้อนอไปแย่งาหางมันก็หวงที่ไปแย่งหามันงมันกัดออก้หาสุ น, นัขมันทำ กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุ น, นัขอีกนี่ห้เลยเกิดฆ่าตะกินไปจนกระทั่งสุ น, นัขไม่เดือดร้อนนั่นแต่มันตลอดสุ น, นัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จ ะ, จะไปแย่งอาหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเของก็เป็นไม่ได้ตอนไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาหางเขาก็ ก, ก, หงหงกระเซายครับหัวหัวงัดมาบ้างพอกดัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีีน่ตัวลมก็โกรธรือเกียจแั้นเขาก็ตามฆ่าสุ น, นัขเี่ มันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็นนา่าชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยพระพุทธเจ้าถึงทงสอนสอนด้วยความนึกตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเป็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้น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 มหากษัตย์เป็นของส้องพันอะไรบ้างยดอเนเข้ามาพายในจิตใจของเราศา ส, สนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้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 ตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความรย็มเย็นเป็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่พอย่างยิ่งการอดรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแหนแสนงอนเป็นตัวพิษตัวภยัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวร อ, อยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับรัตทิทุวันนี้มันก็เหมือนกันนี่ ยุ่ยย่ก่อกวรให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปแบบานี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุ่เอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุ่ยแย่ก่อกวนตรงนี้จริงไม่จริงไม่สําคัญขอให้ยุ่ได้แย่แต่เล่าก็เป็นคนหูเบาอ <ừ, S 1> จิตของเราเนี่ยเเป็นคนหูเบาเ <ừ, S 2> ชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนมูมายทั้งหลายเไม่มากคำนึง ไมบวกไม่บมลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดีแย่นั้นบ้างมันก็ยอมเห็นนะร้อยตางเข้าไปร้อนตางเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นมั้งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่กบฏกวอยู่อย่านี้นอกจากตัวสําคัญที่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 ค่อยจืดจางหายไปโดยลํำดับก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไร่ขับไร่อะไรขับไล่ตัวพิจตัวไพรใจก็มีความสงบ ร, มร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตัง้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงจใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุก ข, ขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะ เราไม่สร้างพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านบุ่มวายประจามจิตจิตข้างดวงเลยเป็นที่ก่อไฟอืเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองใชมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายอยู่ก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เลกตันหาอาสวะมันเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลา สถานที่นั้นเลยเป็นความเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อ้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิจกพรภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลาดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอาน้าแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผดเผา ใจที่เคยเดือดร่อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มลมมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่ะเป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมา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 ขึ้ไปโดยลําำลำดับจนถ้เห็นผลเช่นนี้แล้วยิ่งขึ้นก่อนยิ่งกว่านี้ไปโดยลำดเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริ ง, รงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความท้อคันมั่นหมายหรือรูปคำคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสแงโดยความเสื่อส่าของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์นันก็ต่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลัก ยึดอันดีแล้วที่นี่เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วที่นี้ไม่ค้าคราบตนไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมือกิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็จะมายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบนุ่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็น มีความรุ่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความสศกสาของหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็าภาวนารุ่นเริงบันเทิงแต่กับอด ก, กับธรรมคือความสงบเปลี่ยนใจพิจานาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจยอมมีทางเลือกเฟ้นได้ เพื่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเบียดใจนั้นเป็นฐานสําคัญอันหนึ่งหรือเป็นสัจคิพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะอย่างยิ่งจิตเป็นของสําคัญเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาขั้นโดยลำดับ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 เหมือนนวบเบาไปทั้งทั้งร่างกายเนี่ยความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่นะ่ะอึ้งเหมือนภูเขาดัางที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นริงบันถึงบันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่สนใจว่ามันผ่านไปเมื่ อ, อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึ้นแล้วแก้ไข จ, จัดแจงสิ่งที่จะทํา ให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนักอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจก้าหารขึ้นตามความเพียนตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงอ่ะทีนี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่าาาหนุนอวกาศนั่นทีเพราะจิตมันสูง จิตมันแปลกประหาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยนี่นึดเนรอผลเห็ น, เ ห, นเห็นประจกักษ์ภายในจิตปัญญาพิจจรณานอยู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้ทนทางกาย แก่ไขหรือถอดถอนนอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลดับผมสุดท้ายก่อนแยกอูปเสียงกลิ่นลดเครื่องทั้งผัดก็แยกอ yeah. อกกัได้จากกันได้อปเวกนาัญญาทั้งขานิยานก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยก มนมีอะไรอยู่ที่จะแยกเรากับเป็นยอดแิยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแถงศาสนธรรมเเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าพามาสู่ธรรมประทีศคือความสว่างสวัยอันมือสุดหุดผ่องพันในจิตใจ ซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเป็นไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละแบมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสตัอกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นที่นั่นเห็นี่ว่าเป็นคุณค่าไวปแต่หมดหลงโลกหลงมิตรานหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินไปเลยเราจะไปว่าอะไรตั้งแตดในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าขยา มันเป็นบ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็นร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์อันเด่ฮนฮะมนุษย์ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอํานาจของที่เหลือตันหาวิชาปิดมืดมิดปิ ด, ด, ดตายอาไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนมนุษย์ภาษีภาษากขาร้อนไปหม ด, มหม ด, มหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้น พราความมืดของใจ้องคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอํานาจมากเันมันร้อนไปหมดเลยนี่ย น, นเราดูไหมนีม่ความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วย น, นาจของจเิเหล็กกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอ น, นาจแห่งธรรม มันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปสดุดๆร้อนๆนั้นกับเวลาที่เวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็นนะ่าขยักขยั่งในตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยตดตาม่นนทางเทิงงูกำงันอยูาตามถนนทาง แลอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จจพระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งและบ้าทนี้นี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไกล่ฟ้องโดยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเึลิงผ่านบ้าอำนาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาโลกมันน้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความยาก ใหญ่ใหญ่โตอยากคลองโลกคลองสงสารทั้งทั้งติดตายชาตก็ปิดกับตัวก็ไม่งงดูบ้าลืมตายมันทำให้โลกมันร้อนแต่เดีที่จะนาวความตายละวันสักสองหนเท่านั้นือพอจะมีเบรคห้ามร้อนบ้าง น, นโลกเขาจะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราพูดต่อพูดปฏิบัตินันถึงควรให้มีทั้งหันเล่น คือเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อจะส่สมคุณงามความดีให้มากมูนขึ้นโดยลำหนับอาหมุนพรมลายไปตามเ็มทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงสอนไว้เบรดหรือยับยั้งสิ่งที่เห็นม่กไม่ดีระว่างนี้ดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ร้ายทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละเม่อไ่ความสุขจะอยู่กับภัย ความปลอดภัยไล่ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญตรงนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทํำรุนร้วนภายในใจิตใจนั่นแหละท่านโลกเย็นเย็นตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้น สงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพต้องเก็บไม่ต้องเผาอจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําศพให้เราดีๆทำให้ ม, มันดีไปอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้ทำไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญอะไร ของร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วมันจะไปห่วงปลายอะไรกับกระดูกทราบผีตายนั่นเองอยังไม่เห็นทัโทั้งมันหรือว่าขนาดเน่าเสีไปแล้วยังไม่เห็นทัโทั้งมนันอรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็นันตายจนเน่าเสียยังไปห่วงไปห่วงอะไรมัน อ, อืมห่วงตัวจิตนี่ ที่จะไปะหากก่อพบก่อธาตุไปหาจับจองป่าช้าห่งตงัวนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของเกิย อ, อาสวะอันนี้เหตุเห็นผลกับตัวเองโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องเป็นถึงขันอันสมบูรณ์เต็มที่ สมกับเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงตัวรู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบจิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่นาศาสนาพุทธเราก็ถือาศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่เที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิต พยายามแก้ไขาโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเดี๋ยวมันออกมาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตามก็อันเดียวกันเนี่ยระว่างก็ธาตุอันเดียวกั น, นไปตื่นมันอะไรเพิงเกิดหรือตายตื่ น, นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตมันตื่นเต้น กิจรู้เรียนรู้ทุกข์ที่อย่างจิจพอตัวถึงเมืองพอแล้วก็สมายหายรู้แยก่ก่อความเดืเอด้อ น, นอะไรเอว